พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10ตุลาคม2554มีเมีชื่อเรื่องว่าธรรมคือสมบัติอันล้ำค่าวันนี้เป็นวันที่10ตุลาคม พุทธศักราช 2,554 เมื่อวานหลวงพ่อได้ออกไปวัดโพธิสมพรวันเกิดหลวงปู่แต่วันเกิดหลวงปู่วันนี้แหละวันที่สิบตุลาแต่เมื่อวานเขาจัดงานรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนจากจารตรทิตมากเมื่อวานก็ตอนบ่ายสองโมงเขานดมนต์หลวงพ่อเทพ หลวงพ่อเดในเทศวานเนี่ยก็จบแล้วก็ได้หาทุนหลวงพ่อไปที่ไหนโดยมากจะไปนั่นะไปเสริมเมื่อวานนี่ยก็คือก่อนหน้า น, นี้หลวงพ่อเข้าไปวัดโพธิสมพรพบกับท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็บอกว่าคณะสงฆ์จัดงานหลวงปู่ปีนี้ ปี 2,554 หลวงปู่ครบร้อยปีพอดีอายุหลวงปู่ครบร้อยเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ไหวธรรมยุทธตั้งแต่เจ้าพระคุณสมเด็จที่เป็นมหาเถระสมาคมได้รวบรวมกันจะจัดกองทุนขึ้นมาเพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับองค์หลวงปู่ให้หลวงปู่ทุนของหลวงปู่เพื่อเป็นทุนการศึกษาของลงูกหลาน เลยไปชุมกันได้หาทุนให้ธรรมยุทธมีอยู่สิบภาคมีอยู่สิบภาคภาคตกลงกันให้เอาภาคละสองแสนเพื่อจะได้เงินสักสองล้านเพื่อถาวายหลวงปู่แล้วก็ฝากไว้กับมหมามกุตเป็นโมนิธิมหมามกุฏเพื่อใช้ดอกผลต่อไปในภายภาคหน้าสมทบกันไปเรื่อย หลวงพ่อก็ทราบข่าวจากนั้นเมื่อวานหลวงพอ่อพอเทศจบแล้วเขาถวายกันเทศหลวงพอ่อก็เลยประกาศเออพวกคณนะจัทธาญาติโยมจะร่วมสมทบทุนก็พร้อมการได้นะหลวงพ่อจะเป็นตัวหลักจากนั้นเขาก็รวบรวมมาได้เงินมาเป็นแสนเมือกันนะ่อวานนะ หลวงพ่อก็เลยสมทบเข้าไปอีกหลวงพ่อเทศเขาถ่วายมาสองหมื่นกว่าบาทมาหลวงพ่อได้สมทบเข้าไปอีกห้าหมื่นเอาเงินจากปัจจัยจากวัดไปรวมสมทบจากนั้นก็ได้เอาปัจจัยกันเทศเข้าไปรวมมาแล้วได้แสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทเมื่อวานนีรวมสมทบกองทุนกองทุนหลวงปู่ แล้วโดยมากลุงพ่อไปที่ใดโดยมากมีแต่ไปช่ชวยๆไปเสริมๆให้ทท่านจากนั้นก็ได้แสดงทำรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนจัตธายาตโยมมากเมื่อวานนี่คนหลายร้อยทั้งข้างนอกข้างในก็เต็มจลาใหญ่เต็มแล้วข้างข้างนอกก็เต็มอีกรู้สึกว่า ดูๆแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาขึ้นนะหลวงพ่อวานะ่ะไม่เหมือนก่อนๆก่อนๆหน้านี้เมื่อสิบปีให้หลังอนะ่ะรู้สึกว่าหน้าบิตกกังวลเหมือนกันเพราะว่าโดยมากคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องพระพุทธศาสนา มีแต่ผู้สูงอายุเข้าวัดเข้าว่าเด็กหน่มด้วยมากเพลิดเพลินไปตามความคิดขงความเห็นของตนเองแต่พอมาเห็นสามสี่ห้าปีให้หลังมาเนี่ยรู้สึกเด็กหน่มเข้าวัดเออดูแล้วก็พระพุทธศาสนาก็คงจะอยู่คู่กับโลกไปได้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ แ้่มีแต่คนผู้สูงอายุเข้าวัดเนี่ยคงจะล่อยหลอไปหมดหมดไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าเป็นเด็กหนุ่มเข้ามาสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาคงคงอยู่คู่กับเมืองไทยหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะหลวงพ่อคิดไกลเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติอันร้ำคาจริงๆถ้าเราวิเคราะห์มาในมุมไหน ในในมุมการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะธรรมะของพระพทุทธเจ้าท่านก็นสอนว่าการอยู่ด้วยกันเป็นยังไงให้มีน้ำใจต่อกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีความมั่นขยันอดทนอย่ามัวในอบายมุกอย่ามุกมุ่นในอบายมุกถ้าผู้ใดก็ตามมุกมุ่นในอบายมุก ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิเกีรติค้านทำการงานถ้าว่าใครหมกมุ่นในอบายมุกที่ททกล่าวมาทั้งหมดเป็นหนทางแห่งความชิบหายพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วเมื่อสองพันกว่าปีแล้วก็ให้มันขยันอดทนในการแสวงหาทรัพย์อุทาณะสัมปทาถึงพร้อมวยความมัน ใครอารักษาสัมปทารักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยความยากลำบากอย่าไปใช้สุลุยสุาลให้เก็บไว้เพื่ออนาคตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตวันพรุ่งนี้มะลืนนี้เราคาดหวังไม่ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้ใช้ทรัพสมบัติที่เราได้เก็บเอาไว้เพื่อใช้ในวันต่อไปถ้ามีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็เก็บไว้ ให้เพียงพอสำหรับที่จะใช้ั น, นอลักษะสัมปทากัลยาณมิตรให้การครบค้าสมาคมให้เลือกเบเพราะโลก้มันมีมากหลากหลายคนดีคนชั่วพระดีพระชั่วเด็กดีเด็กชั่วหมาดีหมาชั่วช้างดีช้างชั่วมันมีทุกอย่าง แต่ขนาดสัตว์ก็ยังมีลิงนิสัยดีนิสัยไม่ดีก็ยังมีอีกอนิสัยเกเลก็มีอีกเพราะนั้นท่านให้เลือกครบกันระยานามิตรครบเพื่อนที่ดีงามมีทั้งเด็ก เ, เด็กดีก็มีเด็กเกลวก็มีเด็กมารยาท ด, ดีก็มีเด็กมารยาทไม่ดีก็มีมันมีครบทุกอย่างในโลกแต่เราต้องเลือกระหว่ากันระยาณมิตตาให้เลือกครบ คนดีสำมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปคดไปโกงไปป้นไปเบียดไปบงังทรัพย์สมบัติคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงชีพตัวเองมาเลี้ยงชีวิตตัวเองมาเลี้ยงครอบครัวของตัวเองนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราพิกในมุมการอยู่ร่วมกันก็มีธรรมคำสอนเอาไว้ ถึงท่านถูกพูดมาทั้งสองพันกว่าปีแต่เรานํามาวิเคราะห์ดูแล้วก็มีเหตุผลตลอดถึงคารวัตธรรมธรรมของคารวาัตพวกเราเป็นคารวัตญาติโยมควรจะทําตนอย่างไรเรียกว่าคารวัตธรรมธรรมของคารวัตสี่อย่างสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจต่อกันคนไปที่ไหนให้มีสัจจะ ทำหรือไม่ทำไม่ทำไม่ใช่ว่าพูดลเลาะๆาะลหละหากฏหาเกณฑ์ไม่ได้ต่อหน้ารับหนึ่งต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหาความสิษฐสั์ความจริงไม่ได้บุคคลเช่นนั้นหาความเชื่อถือไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่มีสัจจะถ้าคนมีสัจจะแล้วเป็นอยู่ด้วยกันก็ไว้ใจกันเชื่อถือกันบอกคำไหนแล้วก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ต้องบอก คือาทำไม่ได้ธรรมะให้รู้จักขม่มจิตของตนขม่มจิตข่มใจในเมื่อเราทุกคนก็ต้องมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจถ้าเาว่าปล่อยออกเต็มรุ่นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเดือดร้อนวุ่นวายมันต้องข่มเอาไว้กิเลสโทสะขึ้นมาไม่พอใจจนในป่วงป้าวออกไปเสียหายเราต้องขม่ม ราคะคงเหมือนกันต้องข่มเอาไว้ราคาโทสะโลภะต้องขม่มนั่นลนะูกจะรู้จะขม่มสัจจะธรรมะธรรมะให้รู้จักขม่มใจของตนอย่ามนันออกกระโดดลดเต้นออกไปตามกิเลสเต็มรุ่นสัจจะธรรมะขันติขันติให้มีความอดทนคนเราต้องมีขันติคือความอดทน เพราะการอดทนตอนนี้ทาใครก็ตามมีความอดทนเขาจะดูด่าว่ากาวเขาจะดูถูกเย็ดยามเขาจะพูดกะแหนกะแหนอะไรก็ตามใเรามีความอดทนในใจคนที่มีความอดทนอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในชุมชนใดก็เป็นที่รักเคารพของชุมชนนั้นและก็สวยงามไม่บูดบวบ ร, ร, รู้จักการวางตัวรู้จักการ ใ ห, ให้มันเหมาะสมถ้าคนมีขันติในใจ hey, ถึงจะร้อนถึงจะหนาวถึงจะพอใจไม่พอใจเราก็อยู่ในใจไว้ไวก่อน hey, อย่าไปแสดงอากับกิริยาออกไปจนคนที่อยู่รอบข้างรอบร้านของเราลำคาญหรือว่าเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจกับเรา hey, แต่คนที่มีขันติอยู่ในจิตใจอยู่ใน กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องจามีภรรยาลูกหลานอยู่กับใครๆก็คนในชุมนั้นชุมชนนั้นก็รักเคารพนับถือคนมีขันติอยู่ในใจแล้วก็คนมีจาคะาจ่าฆ่าขุดช่อจุดท้ายการคือการเสียสละอันดับแรกกคือเสียสละให้แก่พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเราอย่าไปมองข้าม พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราต้องเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านอันนี้คือหน้าที่ของลูกคือการเสียสละอันดับแรกต้องดูพ่อแม่ก่อนจากนั้นก็ค่อยดูคนอื่นต่อไปดูสามีภรรยาลูกหลานผู้เกี่ยวข้องดูสัตว์สาลาสิงห์หมูหมากาไก่พวกแมวพวกอะไรที่มาเกี่ยวข้องเราก็เสียสละให้เขา บริจาคทานให้เขาเพื่อเลี้ยงชีวิตเขาถ้าเราพอมีพอเป็นพอไปอย่าไปเมินเฉยในเมื่อเราอยู่กับเพื่อนมนุษยชาติอยู่ในโลกเราต้องมีการเสียสละอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอุบาสกอุบาสิกาผู้ครองเรือนให้ปฏิบัติตนดังนี้ให้มีสัจจะนะให้มีธรรมะให้ข่มใจของตนเองนะ ให้มีขันติคือความอดทนนะให้มีจาระในการเสียสละนะแต่เพียงแค่นี้ถ้าเรานำมาวิเคราะห์ดูแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติได้ตามแนวแถวนี้ก็มีความก็จะร่มเย็นป็นสุขในในกลุ่มของตนเองในพักพวกของตนเองในตัวเองแต่เราขาดทำ ตามใจชอบทุกอย่างโดยมากมันจะไหลไปทา ง, ก, ทางกิเลสไปทางต่ากิเลสไปทางต่าก็นนะใจมันชอบยังไงมันไหลไปทางนั้นถ้าเมื่อมันไหลไปในในทางต่าแล้วมันไม่ใช่ทางดีนะทางต่ำนะมันมีแต่ทางโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหนะนีอมันไปทางต่ำบางทีโลภเห็นอะไรก็โลภอยากจะได้ทั้งหมดมันดีไหมคนโลภ มันน่าลำคาญยิ่งกว่าอะไรอีกเห็นอะไรก็นะ่อนไม่ใช่ของตัวกูเบียดบังเอายื้อแย่งแข่งเอายื้อแย่งเอาไม่ได้ทางโตหน้าก็เอารับหลังเอาจนได้มันน่าขยักขยแยงมากความโลภความโกรธก็เหมือนกันไม่ได้เรื่องได้เล่าแลยก็โกโมโหโกธาไปหมด มี่จะฆ่าจะเบียดเ บ, บียนเขาอันนี้ก็เป็นทำให้คู่อยู่ใกลเดือดร้อนออดราคาก็เหมือนกันไม่รู้จักที่ไกลที่ไกลไม่รู้จักสูงรู้จักต่งไม่จกสิ่งควรไม่ควรอันนั้นก็เสียหายอีกโดยมากมันกิเลสมันไหลไปทางต่ำพอมันไหลไปแล้วนะันเดือดร้อน ทุกหัวและแหงเพราะปล่อยกิเลสออกไปเพี้ยนผ่านไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องเอาหลักธรรมเป็นรั้วกั้นอ่เป็นรั้วกัน้นศีลธรรมนะเป็นรั้วกัน้นทางจิตใจถ้ามีศีลธรรมในจิตใจแล้วควรไม่ควรถูกไม่ถูก <c oughs> เหมาะสมไม่เหมาะสมอ่ <c oughs> เราจะรู้ได้เพราะอะไรเพราะมีธรรมในใจเพราะนั้นต้องศึกษาธรรม ธรรมคือคําสอนพระธรรมคำสอนธรรม ค, คือหลักเหตุผลพระธรรมนี่คือหลักเหตุผลควรโดยมากก็โดยมา ก, มากอ้างกันเหตุผลมัมากน้อยขนาดไหนก็้่าหลักเหตุผลเน่ยหลักเหตุผลกันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดสองบวกสองเป็นสีนั่นแหละคือหลักเหตุผลบวกไปเท่าไหร่ก็ไม่ผิดพลาดเพราะอะไรเพราะมันถูกต้องอ่มันอยู่ในกรอบไม่ผิด บวกไปท่าไหล่เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันก็บวกมันก็ถูกเพราะหลักเหตุผลนี่แหละพระยะเพราะนั้นพวกเราพยายามอยู่ในหลักเหตุผลจะอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในสถานณไหนก็พยายามถึงจะไม่ได้เหตุผลขราวนี้อื่นเออมันรถมันเบรกแตกไปวะรถออมันเบรกลุยไปวะตลุดตูดตานไ ป, ไปไปชนคนอื่นเข้าๆ เ, เออขาวน่า เราต้องระวังเราต้องทำเบรกให้ดีขึ้นกว่านี้คันเร่งเราควรจะเอายังไงพวงมาลัยเราจะหมุนไปทางไหนในการเป็นอยู่ของเราถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอย่างนี้แล้วอยู่นัสถานที่ใดก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นฆราวาสเป็นฆราวาสเป็นพระก็เป็นพระที่อยู่ในกรอบเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสอยู่ในศีลในธรรม อยู่ในสถานที่ไหนอยู่ในส ถ, สถานะพ่อแม่สถานะครูบาอาจารย์ชนะสถานะลูกศิษย์ควรไม่ควรอย่างไรชนะสถานะานะลูกหลานแต่และกลุ่มแต่และคณะให้รู้จักสถานะของตนเองก็นั่นแหละโลกท้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนก็ต่างมีเหตุมีผลต่างต่างคนก็ต่างเคารพเหตุผล เคารบศีลเคารพธรรมวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวแนวความคิดให้แก่พวกเราเพื่อเป็นแนวแห่งการศึกษานะาต่อนนี้ไปรับพรอนรโมทนาให้พน